แท้จริงแล้วกำลังริศยากรรมเก่าที่เลิ่เลอของเขาอยู่นั่นเองพุทธพจน์จิตมีความปรับปลื่มในการให้ทานที่ไหนก็ตามกับบุคคลใดก็ตามก็ควรให้ทานในที่นั้นกับบุคคลนั้นจากอิสัทธสูตรผลของการให้ทานด้วยศรัทธาคือเป็นผู้มีรูปงามชวนพิศน่าเลื่อมใส และผิวพรรณงามยิ่งในที่ที่ทานนั้นผลติตผลจากสัปปุริสสูตรมหาบุรุษมีพระเนตรดำสนิทและแจ่มใสดุจลูกตาโคเพิ่งคลอดนี่คือวิบากจากการไม่เป็นผู้เถลึงตาดูไม่ค้อนตาดูไม่ชิมเลืองตาดูใครๆด้วยอำนาจความโกรธเป็นผู้ตรงมีใจตรงเป็นปกติแลดูใครๆตรงตรง ด้วยดวงตาทอแววรักใคร่เมตตายิ่งไปกว่านั้นมหาบุรุษยังมีพระเสียงงามบริบูรณ์ดุดกรอบพระพักเป็นเครื่องประดับก็โดยเพราะวิบากจากการเป็นผู้นำของมหาชนในกิจอันเป็นกุศลเป็นประธานของมหาชนด้วยกายสุจริตวจีสุจริตและมนสุจริตทั้งในการบำเพ็ญทานในการตั้งใจรักษาศีลหและศีลแปกับทั้งในความเป็นผู้ปฏิบัติ ด, ดีต่อมารดาและบิดา ในความเป็นผู้ปฏิบัติดีต่อสมณะในความปฏิบัติดีต่อพราหมณ์ในความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุลรวมทั้งเป็นผู้นำในกิจอันเป็นมหากุศลอื่นๆจาลักขณาสูตรจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามหากมักโกรธอัดแน่นด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจผูกใจเจ็บมีความอาฆาตมาด ร, ร้าย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 และความขี้เร่เป็นพลังครอบงำที่ยิ่งใหญ่ดึงเอาทั้งชีวิตของมนุษย์ให้หลงจมอยู่กับเงาตนเองในกระจกและหลงมองออกนอกตัวด้วยความติดใจวิภาควิจารรูปร่างหน้าตาคนอื่นแค่หัวเข่าดาราดังดูน่าเกลียดหน่อยก็อาจเป็นเรื่องซุบซิบไม่รู้จบได้ทำไมต้องมาโมยววิภาควิจารสิ่งที่ปั้นแต่งกันตอนเกิดไม่ได้จะมองกันที่คุณค่า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 ล้วนเป็นร่องรอยชีย้ให้เห็นว่ามูลเหตุของความงามหาใช่ผลงานของความบังเอิญไม่ความบังเอิญไม่อาจออกแบบความงามหรือความน่าเกลียดใจที่งามและใจที่น่าเกลียดตั้งหะกที่อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดใจที่น่าเกลียดคืออย่างไรคือใจที่เหนียวเนอะหนดนะด้วยความตรณีถอดเป็นคำไทยคือที่เหนียวนอกจากนั้น ใจที่มืดดำด้วยความเห็นแก่ตัวถอดเป็นคำไทยคือใจดำซึ่งต่างก็ตกแต่งจิตให้หน่าเกลียดได้ไม่แพ้กันสรุปแล้วความน่ารังเกยียจของจิตนั่นแหละคือต้นเหตุแห่งกายที่น่ารังเกยียจความงดงามของจิตนั่นแหละต้นเหตุแห่งกายที่งดงามหลักง่ายๆคือถ้าเกิดกิเลสแล้วตามใจกิเลสบ่อยๆ จะเป็นเหตุให้ใจซามลงส่งผลให้มีรูปซามได้เดียวนั้นเช่นใบหน้ามองคล้ำราศีหม่นมืดลงแต่ถ้าเกิดกิเลสแล้วรู้จักระงับไม่ทำอะไรประเจิดประเจิดจะเป็นเหตุให้ใจสวยขึ้นส่งผลให้รูปสวยได้เดียวนั้นเช่นใบหน้ากระจ่างราศีสดใสขึ้นถ้าสังเกตอยู่อย่างนี้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 โดยไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามแจกแจงความงามตามระดับการให้ได้ดังนี้หนึ่งสัพพยธานความตรณีเป็นอย่างเหนียวที่ทำให้จิตเหนือนะ่อหนักทึบตันหาความปลอดโปร่งไม่ได้คล้ายฟองเหนียวตะปุ่มตะปำเกาะจิตอยู่ยุบยับเป็นความอึดอัดแก่เจ้าตัวเองและคนอยู่ใกล้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 จะเป็นปัจจัยให้เกิดผลมากทั้งสิ้นเมื่อคิดให้ทานด้วยจิตที่ผ่องแผ้วสวยใสยที่สุดย่อมเป็นเหตุบันดาลรูปร่างหน้าตาที่สวยชวนพิถที่สุดเช่นกันเกณฑ์ง่ายๆที่ตัดสินได้ว่าใจของคุณมีศรัทธาในขณะให้ทานคือเมื่อนึกถึงบุญขณะต่างๆทั้งก่อนทมขณะทำและหลังทำแล้วนึกอยากยิ้มสดชื่นออกมาจากข้างใน เป็นยิ้มอันบันดาลขึ้นจากความปลื้มเพรมความอิ่มเอมที่บริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไขแลกเปลี่ยนแต่ถ้าทำทานและฝืนยิ้มไปแก น, กนใจไม่เป็นสุข n ั้นไม่นับว่าถึงความเลื่อมใสในทานเพราะแสดงให้เห็นว่าใจยังแห้งแล้งอยู่หากให้ทานด้วยจิตใจคับแคบเช่นแก่งแย่งชิงดีเอาหน้าเอาเด่นหรือให้ทานแบบกีดกันไม่ยอมร่วมให้ทานกับใคร ไม่ยอมถวายสังฆทานพร้อมกันกับผลแปลกหน้าที่เข้ามาพร้อมเราดึงดันจะแยกเป็นต่างหากให้พระต้องสวดสองทีแบบนี้กรรมจะตกแต่งให้ชาติต่อไปหน้าตาออกรสเค็มหรือเห็นแล้วไม่สบายใจเสียมากกว่าจะน่าเลื่อมใสตามอาการทางจิตนั่นเองวิธีง่ายๆเพื่อสร้างศรัทธาในการให้คือให้เพราะอยากให้ถวายเพราะอยากถวาย และอย่าเลือกหน้าอย่าสร้างเงื่อนไขว่าอย่าเป็นสัตว์ต้องเป็นคนต้องเป็นพระขอเพียงของที่ให้ทานเป็นสิ่งที่คุณได้มาโดยชอบทำไม่เดือดร้อนใครกับทั้งมีน้ำจิตคิดอยากให้ใจก็เบิกบานเป็นปีติได้แล้วยิ่งสั่งสมบ่อยเท่าไหร่ใจในการให้ยิ่งสวยขึ้นเท่านั้นเมื่อคุณให้ทานครบวงจรในที่สุด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 ยิ่งความตระนีน้อยลงเท่าไรคุณจะยิ่งเห็นใจตัวเองน่ากเกลียดน้อยลงเท่านั้นและยิ่งความเลื่อมใสในทานปรากฏชัดขึ้นเพียงใดใครๆจะยิ่งบอกว่าหน้าตาคุณมีรัศมีชวนชมชัดขึ้นเป็นเงาตามตัวโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ชาติหน้า 2. ออภัยทานความพยาบาทเป็นไฟร้อนที่เผาผลาญใจตัวเอง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 ไม่แสดงกิริยาวาจากระฟัดกระเฟียดง่ายง่าเพียงเท่านี้ก็ประกันแล้วว่าชีวิตที่เหลือจะไม่ก่อเหตุให้ชาติหน้าต้องเป็นคนผิวพันสามหน้าตาหาเรื่องการจะให้อภัยเป็นควรฝึกไปทำตามลำดับคือมีแก่ใจอยากให้อภัยเพราะเห็นโทษของความผูกพยาบาทและโมโหง่ายดังกล่าวแล้วเมื่อโกรธจนอยากลงไม้ลงมือมาก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 นั่นพระจิตที่สงบเยือกเย็นไม่เดือดร้อนกระบวนกาะวายง่ายๆจะทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนบนใบหน้าผ่อนคลายดูดีที่สุดเท่าที่โครงหน้าจะอํานวยทั้งนี้ต้องหมายเหตุไว้ด้วยว่าฝืนยิ้มแกล้งไม่โกรธกับฝึกละความโกรธไปตามลาดับขั้นจะให้ผลเป็นคนละเรื่องยิ่งแกล้งเท่าไรใจยิ่งเก็บกดเหมือนอยากระเบิดเท่านั้น แต่ถ้าฝึกห้ามกายได้ดูใจเป็นใจจะยิ่งเบาเป็นคนมีความสุขแบบไม่มีแรงกดดันแอบแฝงอยู่เลยสธรรมทานเมื่อมีน้ำใจบริจาคของส่วนเกินกับทั้งมีความเมตตาการุณาพอที่จะให้อภัยคุณจะมองเห็นว่าคนในโลกอีกมากนักที่ยังหลงตรณี หลงอาฆาตพยาบาทกันให้ทุกใจเปล่าโดยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยที่ตรงนั้นคุณจะรู้สึกเหมือนตนเองมีน้ำอยู่ในใจสามารถช่วยดับไฟในอกคนอื่นได้ทุกอย่างต้องเริ่มด้วยของจริงในตัวคุณเองคือมีน้ำใจอยากดับไฟให้คนอื่นไม่ใช่ตั้งต้นด้วยความอยากสั่งสอนแบบยกตนข่มแต่เป็นการค่อยๆพูด ค่อยๆให้แนวทางด้วยใจเมตตาปรารถนาให้คนฟังได้คิดได้ฉุกใจคุณจะรู้สึกถึงความจริงใจได้จากผลลับกับตนเองคือยิ่งพูดตัวเองจะยิ่งเย็นพูดได้เต็มปากเต็มคำไม่ต้องดัดไม่เสแสร้งสร้างภาพนักปลอกตรงข้ามกับการอยากสอนแบบยกตนขมยิ่งพูดอัตตาจะยิ่งหนัก ในหัวจะยิ่งฟุ้งแรงขึ้นทุกทีอยากอวดเก่งกล้าสามารถขึ้นทุกวันหากสามารถช่วยให้ใครฉุกคิดให้เขาอยากสละความตรนีอยากละวางความพยาบาทนั่นจัดเข้าข่ายเป็นธรรมทานถ้าธรรมทานนั้นประกอบด้วยกิริยาอันงามด้วยน้ำใสใจจริงก็เรียกว่าแสดงธรรมได้งาม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 ดึงดูสายตาไม่ต่างจากคนสวยคนหล่อได้อย่างน่าทึ่งกรรมในการรักษาศีลความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งสกปรกเน่าเหม็นพิสูจน์ได้ด้วยความรู้สึกยิ่งคนเห็นแก่ตัวมากขึ้นเท่าไหร่พอเข้าใกล้แล้วจะรู้สึกขยะแขยงอยากออกห่าง เพราะคล้ายจะเหม็นอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นศีลจะมีส่วนช่วยปรุงแต่งหน้าตาให้ดูดีจริงๆต่อเมื่อสะอาดหมดจดในข้อหนึ่งหนึ่งความรู้สึกภายในของคุณเป็นอย่างไรคนก็จะมองเห็นคุณแล้วเกิดความรู้สึกเช่นนั้นตามไปด้วยเช่นหนึ่งอยากปกป้องชีวิตสัตว์ทำให้หน้าตาใจดีเห็นแล้วสงบเย็น ดูปลอดภัย 2. ไม่เพ่งเลงอยากได้ทำให้หน้าตาหน้าไว้ใจเห็นแล้วหน้าเชื่อถือ 3. สซื่อสัต์กับคู่ครองทำให้หน้าตาชวนอบอุ่นใจเห็นแล้วนึกอยากเป็นคู่ด้วย 4. ไม่คิดปั้นคำลวงทำให้หน้าตาใสซื่อเห็นแล้วนึกเอ็นดู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 แตกต่างจากกรรมทางความคิดที่เหมือนสิ่งลึกลับจะรู้แน่ว่ามีหรือไม่มีก็ต้องให้เจ้าของความคิดเป็นคนแฉเองสำนวนปากร้ายใจดีปากหวานก้นเกลียวหน้าซื่อใจคตหรือหน้าเนื้อใจเสือเกิดขึ้นได้ก็เพราะมนุษย์เรามีกรรมทางความคิดซ่อนเร้นไว้ในหัวได้จะให้เปิดเผยหรือปิดบังต่อไปก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเจ้าตัว แต่กรรมทางใจเป็นไปตามความคิดคนเราคิดอย่างไรก็คู่ควรกับภาวะอย่างนั้นกรรมทางความคิดอาจถูกปกปิดไปทางชาติแต่จะถูกเปิดโปงล่อนจอนที่รูปร่างหน้าตาในชาติตัดไปหากคุณสงสัยว่าเหตุใดบางคนสวยจัดหรือหน้าตาหล่อเหลาบาดใจแต่เตี้ยม่อต่อบ้างแขนขาไม่น่าดูบ้าง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 ส่วนชายที่หน้าตากับเนื้อตัวสมชายเป็นพวกที่อาจหารกล้าเป็นผู้นำในทางดีเอากำลังแรงเข้าโถมเพื่อให้งานบุญรุ่งรุ่งโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยที่สำคัญต้องมีศีลมีสัตว์พูดคำไหนทำคำนั้นกล้าทำกล้ารับฮึกเหิมในการเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกคิดตรงไปตรงมาไม่พูดปิดเบือนความจริง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 ก็เป็นพวกที่มีความสง่างามในการละกามละพยาบาทละความเสื่อมซึมละความฟุ้งซ่านและละความสงสัยมีความมั่นคงในการครองกายครองใจให้ปลอดโปร่งอย่างคงเส้นคงวางามแบบอ่อนหวานเกิดจากกรรมในการพูดจาอ่อนโยนใช้ถ้อยคำหวานหูโดยมีเจตนาให้คนฟังรู้สึกดี เวลาให้ทานจะทำด้วยความนุ่มนวลด้วยความสุภาพงามแบบฉูดฉาดจัดจ้านเกิดจากกรรมในการประกอบงานบุญงานกุศลด้วยจิตคิดออกหน้าออกตาชอบทำให้คนเห็นเยอะๆเป็นจุดเด่นเป็นความสนใจซึ่งแง่ดีคือเป็นแรงบรรดาลใจให้คนเห็นอยากเอาตามแต่แง่เสียคือเป็นที่หมันไส้ได้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 แค่เข้ามามีบทบาทในงานบุญด้วยความตั้งใจจะเป็นคนเด่นดึงดูดความสนใจใครต่อใครในเชิงปฏิพัตก็นับว่าเข้าข่ายแล้วงามแบบแปลกประหลาดเกิดจากกรรมอันขัดแย้งกันเช่นเข้าวัดทาบุญจริงแต่ก็แต่งตัวยวนยั่วไปด้วยหรืออยากให้ทานจริงแต่ของที่ให้มีความสกปรก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 หรือหล่อแบบหน้ากังขาคือเหมือนอย่างปั้นไม่ครบหรือครบแต่วาแาว่งบางส่วนเหมือนหายหายไปไม่เต็มบริบูรณ์ความงามไม่ได้มีแค่หกประเภทเท่านี้ที่ยกมาพอสังเขตก็เพื่อให้เข้าใจชัดว่าต้นตอของกรรมทั้งหลายมาจากมโนกรรมหรือกรรมทางใจเป็นหลัก